ดั่นสาธุดนน้อยวันนี้คงวันที่สามสิบสิงหาคมสองวันหรารามสิสี่ตอนเมื่อสี่ผ่านมายี่สิบดนาทีรู้สึกว่าพูดไม่ค่อยจะชัดให้กลัวกันไปมากท่านนี้เพราะว่าความจำไม่ดีมีการพูดเลอะลือนในการต่างๆเพราะต้องเกี่ยวกับชื่อบุคคลบ้าง ถ้าเกี่ยวกับการป่วยบ้างท่านนี้เมว่าเธงอการป่วยอย่างเมื่อวานที่เคยพูดไว้วันที่ยี่สิบเก้าว่าโอจาระเป็นเหตุให้ปัสสาวะไม่ออกกับเป็นเหตุให้ปวดขาอย่างนี้ก็มีแพทย์จรูนเนะาะทศบาลคนต้มบอกว่าเปิดตำราแพทย์ไม่พบ ก็ต้องขอตอบในที่นี้ว่าตําราแพทย์ยังเขียนไม่ถึงถ้าเขียนถึงก็พบขําไม่ตอว่าตังโกมรพัตว่าทำไมไม่สอนนุสิตถ้าบอกสอนแล้วตํารามีแล้วแต่ว่าไม่มีใครปฏิบัติตามในเมื่อไม่มีคนปฏิบัติตามก็ไม่สามารถจะรู้ได้ขอย้อนกลับไปสมัยที่ปัสสวะไม่ออก ในแพทย์ประสิทธิ์โฟต์กูนเป็นสัสตว์อศาสตราจารย์จุราลงกรณ์มาสวนให้ปัสสวะออกและเธอก็บอกว่าหงพ่อทนมากเกินไปกระเพาะปั ส, สวะมันตึงเป่งก็จะแตกก็บอกกับท่านว่าความจริงไม่รู้สึกว่ามันปวดถ้ารู้สึกว่ามันปวดก็ทนไม่ไหวไม่สามารถจะทนได้ทีมันไม่รู้สึก ในเมื่อพพวกเราปรไปถามเขาเอามือไปแตะนิดเดียวมันปวดฉี่ทันทีแล้วก็หายไปด้วยอานาพานสติตอนนั้นก็เป็นอ่งแบบเป็นการฝึกกําลังมโนยิธิหรือที่เรียกว่าดาปัญญาจะฝึกขนาดหนักที่ว่าสามารถไปที่ไหนก็ได้คล่องตัวมากเหมื่อตัวไปเองเราจะสอนวิธีที่หนักที่มีกําลังสูงมันก็แกล้งหนัก แล้วต่อมาในแพทย์ประสิทธิ์ก็สั่งหมอที่โรงพยบายบาลแม่เด็กว่าถ้าหลวงพ่อมีอาการเกิดขึ้นอย่างนี้ให้ทําแบบนี้แล้วต่อมาการขัดขัดเบาขัดปัสสาวะมันก็เกิดขึ้นอีกคราวนี้ปัสสวะไปออกอีกก็สั่งให้คนไปบอกหมอที่โรงพยาบาลในวัดแล้วก่อนที่หมอจะมาก็ให้พอนุชคืนคงดี เธอทําการล้างท้องหลังจากล้างท้องเสร็จอาการปวดท่อปัสสาวะก็ไม่มีอีกปัสสาวะคล่องตอนเย็นหมอจึงมาเมื่อหมอมาแล้วหมอก็ไม่ถามเธอก็มานั่งคุยอะไชวนหมอคุยในตอนนั้นก็ได้รับความรู้ไปเสร็จขนาดที่เขาล่างท้องอยู่ก็ดีที่หลังจากการล้างท้องแล้วก็ดีอาการป่วยมันมาก เกิดนอนที่กุฏิกลางน้ํานอนจับอนาปานุสติและใช้กลังใจทำทุกขวรก็เห็นพระทันมาต้นบอกว่าคุณไวรัสที่เป็นเชื้อโรคร้ายทั้งหลายมันเต็มไปหมดบริเวณนี้ปาเมื่อก็นอนออกจากหมาบ้างออกจากขนบ้างมันเต็มไปหมดมองดูมันเต็มจริงๆแม่นับปริมาณไม่ทวนเห็นตัวเกลื่อนไปหมด มันมีลักษณะต่างๆกันแต่ในบไ ว, วรับต่างๆทั้งหมดมันแพ้ควันฉะนั้นคนโบราณยังไม่ค่อยจะเป็นโรคกับเขาเพราะคนโบราณทุกคนกเก่าๆเป็นคนจนไม่มีม้งลวดบางบ้านก็ไม่มีมุ้งถ้ามียุงเกิดขึ้นเอาสงควันให้ควันเกิดขึ้นสูงควันให้คนบ้างสูงควันในควายบ้างสมควันในสุนัขบ้างกาันชง แต่วควันนั้นทำลายไวยรัสอย่างไรกัดไวรัสเมื่อกระทกควันเข้ามันจะตายทันทีท่านบอกให้สมเอากลับมะพร้ามาสมไว้ควันภายในกุฏิแล้วก็ไวรัสมันจะตายก็ทำตามนั้นเมื่อทำดังจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรปกอหมอมาก็คุยกันหหมอจะมาล้างท้องหมอจะมาสวนปัสสาวะให้แต่ความจริงไม่ต้องสวนแล้ว พอถ่ายจะระเขล้างท้องเสร็จไอ้ตัวที่เบียดท่อปัสสาวะมันก็หายไปเมื่อไม่เบียดมันก็เลิกปัสสาวะตามปกติอาการป่วยก็ไม่มีแต่หมอก็ไปถามก็นั่งคุยอยู่พักหนึ่งคุยเรื่องเรื่องไวรัสหมอก็พูดเรื่องไวรัสมันก็ตรงกับภาพที่เราเห็นไปไปมาหมอถามว่าจะสวนอยังครับคุยพักใหญ่บอกเอาตายจริงหมอฉันลืมไปบอกไม่ต้องสวนแล้ว ในเมื่อล้างท้องเสร็จมันก็หายแล้ว ก, การนั่นปัสสาวะปกติแล้วหมอเขาเลยบอกแม่ผมก็กลังมีแขกครับบอกหมอทําไมไม่บอกว่ามาใหม่ๆหมอเขาบอกเกรงใจเป็นนั้นว่าการปัสสาวะไม่ออกก็จะมีการสองอย่างคือ น, นิว่วก็ได้อาจมาไว้เฉยหมอนะี่อย่างหนึ่งจะมีอะไรครับไปเกิดกลางในท่อปัสสาวะตามเวลาที่เรารู้กัน แต่าอาการวิเศษก็คือว่าอุจาระแข็งเข้าไปเบียดท่อปัสสาวะเป็นเหตุปัสสาวะไม่ออกแต่อาการปวดขาถ้าปวดเมื่อยธรรมดาก็อย่างหอันนี้ปวดปวดผิปดปกติเจ้านี่ก็เหมือนกันถ้าเวลาล้างท้องเสร็จมันก็อยากให้ปวดแล้าการบวมที่ขาก็เหมือนกันถ้าล้างท้องเสร็จมันก็อยายบวมที่ขาก็จับไได้ว่าเจ้าอุจาระนี่มัน มันร้ายกาดมากไม่เห็นมันเชืเ้อเด็กน้อยก็เป็นว่าต้องยอมรับความสามารถของมัน้านี้มาพูดถึงการรักษากันก็มีหมอรักษาอีกอย่างกับว่าหมอเดี๋ยวก่อนขอโทษนะนึกชื่อไม่เคยออกของมัแก่ว่าไม่สบายขอเตือนใจทันยาเขาหมอนพร หมอแลพอเนี่ยเป็นนายทหารไม่แพทย์ทหารมาช่วยจริงๆมั้งคืนก็ข้ามกอมาจะคืนก็นมาเหมือนกับหมอเจรุญกับแสงสมทำเรื่องยิงอ่ะนั่นก็เมืกันถ้าไปกรุงเทพจะดึกเดือนเที่ยงคืนอะไรต่างๆหมอจะต้องอยู่รอจนกว่าจะหลับถ้าหมอจริงๆกลับบ้านที่ไปซอยสายลมญาติโยมพุทธบริษัทท่านเพิ่งทราบแบบหมอได้ไม่ได้เอาเงินเสียค่ารถเสียเวลาเสียการอดนอน บางเองก็ทีือตัวป่วยก็สามารถเข้าสามารถทําให้ดึกเดินเที่ยงคืนยังได้กลับบ้านพอไปถึงปับ๊บแทย์หญิงแพทคณะต่างๆทั้งห้าคนก็มากันให้น้าเกลือถ้ากลางวันหมอบนตรีเป็นคนเฝ้าน้าเกลือถ้ากลางคืนหมอจรูญเป็นคนเฝ้าน้ำเกลือบางคืนถึงเฝ้าถึงจนทั้งใกล้สว่างกับสว่างก็มีแต่หมอไม่ได้เงินหมอให้เงินด้วย เวลาจะกลับก็เอาสตางถวายหลวงพ่อนี่ในบรรดาแานบริษัทไอ้ฟันนี่ก็เหมือนกันฟันที่ได้กหมอจำนวนมาช่วยทําก็ให้บางอะไรบ้างก็ให้เก็ถ้าเขาทาดีมันทุกอย่างต่อมามันเป็นหนองลากฟันเขาบอกว่าอาการมันหนักมากไอ้นี่ต้องไป่คลินิกอัตมาก็ไปไม่ได้หมอจำนวนนี่ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงเคราะห์เด็กกับคนที่ยากจนอยู่เสมอ ก็มาทุกเดือนเดือนละครั้งมาช่วยเพราะเรื่องฟันอตาตมาถ้ามีเรื่องปวดฟั น, นมาก็ต้องหมอจำนวนถ้าต่อมาหมอเตือนใจที่อยู่ใกล้เห็นว่าเป็นหมอฟันเหมือนกันอตาตมาเขาไปสอบเป็นพญญาเขาหมอนพนพันธ์นธนพนนะก็รับอาษาจะเอาหนองรากาฟันออกมา ก็เลยบอกหมอถอนดีกว่าทันหมดเรื่องหมเราวแบอกไม่ถอนนะจะต้องเอาไว้ได้ออก็มาทำสามสิบครั้งกว่ามันหนักขนาดนั้นหมอจํานวนจะบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่พงพ่อต้องไปที่คลินิกที่สามารถทํำได้เป็นเรื่องจริงอาตมาก็ไม่สามารถไปได้หมอเตือนใจก็มารับผิดชอบหมอจํานวนก็ช่วยทุกอย่างถ้ามีอะไรขัดข้องเครื่องขัดขอ้องอุปกรณ์ต่างๆไม่มีหมอจํานวนก็ส่งให้่ ก็ถือว่าสองหมอร่วมกันทั้งหมอจำนวนด้วยทั้งหมอเตือนใจด้วยร่วมกันทํำฟันให้มันดีขึ้นนี่เป็นความดีของหมอแต่ว่าบรรดาต้นตอหลายอาตมาเองก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นสร้างความหนักใจแก่ทุกคนที่สื่อสัตย์เขาอยู่กันอย่างมีสุขร่างกายของเราก็ไปทรมานเขาจึงคิดในใจว่าไม่ควรจะอยู่ต่อไป พ่อไดเพราะว่าตัวเองก็ลําบากคนอื่นก็ลําบาก <c oughs> ไอ้ตัวเองไม่มีเงินไม่มีทองจะเสียคนอื่นก็ช่วยกันเสียลูกหลานทุกคนก็ช่วยกันท่ววานนี้จะบอกถ้าหาก็อยู่เป็นที่พึ่งแต่ความจริงมันไม่ใช่ที่พึ่งแล้วมันเป็นที่พังถ้าให้ทรัพย์ผินต่างๆเขาพังไปด้วยยิงจะตัดสินใจว่าถ้าการนั่งกายไม่ดีไปก่อนนี้ ก็ขอเลิกกันแค่3มกราคม2565แต่ว่าท่านทั้งหลายการที่บอกเลิกต้องเจ้ากันไปแล้วยกเลิกที่จะไม่อยู่เกินวันที่3มกราคม2565เลิกไปแล้วถ้าบอกว่าเลิกไปก็ย่าว่าพูดไม่จริง ก็ต้องตอว่าขอผมตอบพูดจริงๆพูดนะพูดจริงพูดเสียงดังมาทึกเสียงด้วยที่ต้องพูดเสียงดังเพราะแะไรเพราะเสียงมันไม่ออกต้องก็แทกเสียงออกมาคอไม่ดีพูดเพราะก็ไม่ได้ใช่ไ <c oughs> หมเขา ก, ก็โกนที่พูดมาพูดด้วยความจริงใจแต่ว่าในคืนวันนั้นเองที่มีการปฏิญาณตนเกิดขึ้น ซึ่ท่านทั้งหลายไม่เคยไม่เคยคิดฝันนั่นคือเทวดากับพรมเมืม่อลาพระพระทิงเงียบท่านไม่ยอมพูดโดยแต่ไม่ใช่การโกรธท่านเฉยให้เฉยนีตามม า, า, าลีธรรมวรับเรดยการดูสนีภาพแต่ความจริงไม่ใช่งานหรอกท่านขวางออกมาคำเมื่อเมื่อจะลาท่านไปบอกท่านบอกว่าฉันบอกให้เธอตายปีนี้คือปีที่เท่านั้น พศออนั้นไม่ใช่พศออนี้ท่านพูดคำเดียวแล้วไม่พูดต่อไปอเมื่อท่านไม่พูดแล้วก็ลาท่านเมื่อลาท่านแล้วก็ไปแววหายมที่ดาวดึงไปที่เทวสภาที่นั่นมีเทวดานางฟ้าพรหมเต็มไปหมดพิกกวันก่อ น, น, นที่ปรากฏมา ถ้าเข้าไปหาโยนก็นไปสําหรับเรียนอาถิรพ์จะต้องขอลาถ้าโยต่อไปก็มีแต่ความลําบากทํา ง, งานทุกอย่างก็ไม่สะดวกไม่สะดวกทุกอย่างอะไรก็ไม่มีดีในเมื่อมันไม่ดีอย็นนี้จะอยู่ไปทำไมลาบากคนอื่นเขาลูกหลานก็มีความเหนื่อยลูกหลานมีความลาบากมดหมอก็มีความลําบากทุกคนมีความลําบากไปตามตามกันเท่าที่รู้นะ ก็มีหลายหลายคนท่ไม่รู้ไม่ลําบากคิดว่าหลวงพ่อทำได้ทุกอย่างให้อนอนขอหลวงพ่อช่วยนี่ขอหลวงพ่อช่วยหลวงพ่อเองก็ช่วยตัวเองไม่ไหวก็เลยไม่แน่ใจจะช่วยเขาได้หรือไม่ได้แต่ใจท่าอยากช่วยเต็มใจช่วยถ้าจะช่วยไหวไม่ไหวยังไม่แน่ตัวจะตายที่บอกท่านขอลากาย ให้ถามท่านจะได้บอกว่าถ้ายังไม่ถึงวาระที่จะไปบ้านจะขอพักที่ดาวเรืองได้ไหมท่านบอกไม่ได้บ้านใครก็บ้านมันที่นี่มีที่อาศัยซึ่งการและนของของใครของมันต่อมาท่านสามบดีกรมท่านก็บอกว่า ม, า, กามีทางแก้ไขถ้ามีทางแก้ไขคุณจะว่าอย่างไงก็บอกไม่ว่าไงหรอกถ้าแก้ไขเอาขี้ก้อนนี้ออกมาได้ก็จะอยู่ไปตามวาระ สีพระกำหนดให้ถ้ากําหนดนให้วันไหนอันนี้อาตมาไม่ขอบอกบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะยังไม่รับคําสั่งถ้ารับคําสั่งให้บอกเมื่อไรจะบอกอาจจะบอกอาจจะบอกล่วงหน้าสักปีหนึ่งหรือล่วงหน้าสักสามวั น, นล่วงหน้าสักเดือนหนึ่งก็ตามท่านบอกอนุญาตเมื่อไรบอกเมื่อนั้นถ้าไม่ญาติไม่บอก แต่ว่าหลังจากนั้นมาเมื่อกลับมากลับมาถึงที่ก็ น, นอนนอนคอยตายตั้งใจว่าพิจารณาตัวอยาอาชีรังวัตวยังกโยเป็นต้นว่าร่างกายนี้ไม่ช้าก็จะมีจิตวิญญาณออกจากร่างไปแล้วร่างกายก็ต้องทอดทิ้งเหมือนกับว่าทอดมัชชิไรประโยชน์ข้าน้าดูพิจารณาทราบศพเขาว่าหาก็ศพ ถ้าหั่ก็สดจะมีบุญญาธิการมากไปอาจารย์ใหญ่ฝ่ายทุโดงเป็นหลานไป็สมพิทายานเหอะเนื้อข่ายก็ได้แต่ว่าในที่สุดท่านก็ทิ้งร่างกายไว้ในถ้ำที่ดอยตุงใครอยากจะพบก็ไปควาหนหาอินกอกลไรกันเมื่อปีพศ2500เข้าไปพบถ่ายภาพ อ, ออกมานี่เราก็เช่นเดียวกันไม่ช้าจิตวิญญาณได้ออกจากร่าง ต่างกายนี้ก็ต้องถอดทิ้งถ้าอาศัยที่พระท่านสั่งว่าจงอย่าเผาร่างกายของเธอด้วเหตุผลก็มีว่าลูกสิทธิ์มากจะทะเลาะ ก, กันเรื่องกระดูกเรื่องกระดูกต้ยเป็นปัจัยคนทะเลาะ ก, กันมาเยอะแยะแล้วถ้าไปแล้วไม่ไปธรรมะไปวางทิ้งที่บ้านไปวางทิ้งที่วัดลืมการสนใจไม่สนใจอมีหลายอาจารย์ แม้แต่กระดูกหลวง่านเองก็เหมือนกันเวลาเราเผาปานแย่งกันเกิดจะฆ่ากันตายชาวบ้ได้ไปได้เปล่าลืมบางคนให้เวนต่อไปแต่เวลาจะเอาแย่งกันตอนที่อาตมาคณะเวลานี้กับเวลานั้นต่างกันกํลาลังคนใจกํลาลังใจคนต่างกันเวลานั้นว่ากันหยุดขอร้องกันได้แต่เวลานี้ไม่แน่ใจนัก ว่าจะว่ากันหยุดทอรลาะกันได้ก็จึงหาทางถัา้าหาทางป้องกันเรื่องร้ายเคยขึ้นให้การเผ า, าธรรมดาทางพุทธบริษัทดูลุบวงแหวนจเจ้าพ่ะข่าเมนหมดไปสิบสองล้านถึงแม้ว่าจะมีะไรายได้ชดเชยมามากกว่าก็ต า, ามทีแต่ความจริงก็ไม่น่าจะเสียถ้าเราถ้าดันเพราะคนหลายคน เนี่ยตมาเองไม่ต้องการอย่างนั้นถ้าตมาเองมันจะเกินสิบสองล้านถ้ายังมีคนคารักอยู่นะั้นยังไม่ทําห้เขาเกลถ้าเขาเกลีดกันหมดก็ไม่ถึงบาทเรื่องมันก็จะยุ่งจะเผาตรงไหนจะจัดยังไงจะเอาก็นยังไงจะหลอกอจิปาฐะเมนอย่างนี้ดีอย่งนั้นดีเฉพาะเถียงก็เรื่องเมนกันหมดเวลาไปแล้วดีไม่ดีก็แตกคลองไปหลายคน ยังจะมหมดสตางเรื่องเป็นหมดสตางเรื่องงานอีกวันยุ่งยากโดยไร้ประโยชน์คนไร้จิตไร้วิญญาณแล้วมันก็เหมือนกับทอดนทอดไม้ที่เขาทิ้งแต่ความจริงท่อดไม้ที่เขาทอดทิ้งนั้นมันดีกว่าไม่เนา่านให้ร่างกายคนมันเนา่จาจะมาทะเลาะกาันเรื่องเน่าไม่มีประโยชน์พระาะบอกว่าจงห้ามไม่เผาด้วยการชดเชยของท่าน ท่านก็บรรดาให้ชั้นหมากเป็นพระธาตุบังบรรดาในผมเป็นพระธาตุบังบรรดาให้หางพลูปเป็นพระธาตุบังตามที่ปรากฏกรรมดาทานพุทธวิสัชฌ์อยู่แล้วนี่เป็นเป็นพุทธบา ร, รมีไม่ใช่อัตมาไม่ใช่บา ร, รมีอัตา ม, มาวันนี้เองวันที่สาสิบสิงหาคมมีไปนขนาดนั่งรับแขกก็มีคนมาถามว่าหลวงพ่อปฏิบัติยังไงครับชั้นหมากจึงเป็นพระธาตุ ผมยังเป็นพระธาตุอยู่ห้างพลูที่ฉันยังเป็นพระธาตุอยู่ก็เลยบอกว่าฉันเองฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าถ้าตอบว่าทำอย่างไงนไี่ก็เป็นความจริงใช่ไหมการปฏิบัติฉันไม่ได้ดีกว่าคนอื่นถ้าอื่นที่ท่านดีกว่ามีเยอะไปฏิบเคร่งเค่กว่ามีเยอะแยะไปแต่ทำไมสียงต่างๆของท่านจึงไม่เป็นพระธาตุ ของฉันเป็นพรธาก็ต้องเป็นอำนาจพุทธานุภาพทั้งนี้เพราะว่าท่านสั่งไม่เผาถ้าไม่เผาท่ากระดูกก็ไม่ไม่ปรากฏขึ้นไม่ไปที่แบ่งกันฉะนั้นท่านยึงบรรดาลให้กระดูกให้มาชันมาก็ดีผมก็ดีหางผัวก็ดีเป็นพระธายขึ้นมานี่เป็นอำนาจพุทธานุภาพไม่ใช่ตัณมาเศษไม่ใช่ความดียวอัตมาเป็นความดียวของพระเจ้าท่าน ในเมื่อท่านชดเชยแบบนี้บรรดาท่านผู้บริสัทธ์ท่านได้ชันมาไปแล้วบางท่านบอกว่าผมได้มานานได้ไม่เห็นว่าเป็นพระธาตุก็ต้องดูคนแรกๆเขาอย่างพอนุดคืนคงดีเธอได้ผมไปตั้งเจ็ดแปดปีเธอเก็บไว้เธอไม่เคยดูเลยไอย้นี่ท่าลายนเขาเป็นพระธาตุขึ้นมาก็ยังไปดูบางเป็นพระธาตุขาจ่อง อย่างรัดดาที่ฮิคาโก้โอขคโทษไม่รู้รัฐใายอเมกาใกล้ๆฮิคาโก้เธอเก็บหางผูไว้ใส่โจนัดหนังสือสิทธิ์บันทึกเละ่มีสามเขาจะมีภาพเห็นว่าของอื่ น, ป, นประเทศ ก, ก็ดูบ้างของเราเป็นไหมเขาหยิบมาดูเห็นสีขาวบอกหมอศพสันจะเป็นสามีหมอบ่ราขึ้นนตมันก็เทมาดู ถูแล้วถูไปทูมาปรากฏไม่เฉดราแข็งเป๊กเป็นกระดูกเป็นนับว่าพระทา่านบันดาลให้ก็มีญาติโยมหลายคนที่มา เ, ม, เมื่อไม่กี่วันมานี้มาถึงท่านสวายพระกทายก็แจกพระให้ท่านเราก็ขอแลกเป็นฉันหมากได้ไหมเขาบอกว่าได้ให้พระไปแลกเอาท่านก็บอกว่าที่ต้องการกันเป็นเพราะว่าน้องสาวได้ไปได้ฉันหมากไปเวลานี้เป็นแก้วหมดแล้วครับ ขนาดรายกันขนาดเป็นพระธาตุเป็นแก้วอย่างพวกที่อแคลยองเขาโทษเป็นแคลยองพัทยาไปที่จันทรีที่ท่าใหม่อาตมาโคขมากให้เพอรุ่งไ ม, ม่กี่วันเธอมาพบในสอยสายลมเธอมาที่โขให้เป็นพระธาตุโบราค่ะอันนี้ของใครจะเป็นหรือไม่เป็นก็เป็นเรื่องที่ท่านบูชาหรือพระท่านส่งข้อ อย่าทว่อาตามาหามลำเอียงก็ไม่ได้อาตามาไม่ลาเอียงรักเหมือนกันทุกคนเห็นใจทุกคนแต่ว่าพูดถึงความไปอยู่เวลานี้ก็ต้องขอขอบใจบรรดาลูกหลานทุกคนเพื่อให้การตรงเคาะไปอย่างดีให้วัดวารานต่างๆที่ตอนหนังสือไทยเมื่อบอกมีกําไรมีกำไรทุกเดือนนั่นไม่ใช่กําไรคนสร้างไม่ทัน เวลาน่ปูนก็หายากหาได้ทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยช่างก็น้อยลงหลังนอกจากช่างจำนวนสามร้อยคนเศษเวลานี้เหลือช่างประมาณไม่ถึงประมาณยี่สิบคนจะได้คือเก็บช่างไว้ให้พอดีกับปูนที่จะพึงหาได้ถ้าช่างมากเกินไปไม่มีวัตถุ ก, ก่อสร้างก็ไม่สามารถจะมีว้าเพื่ออะไรเพราะจะต้องจ้งางในงานเขา จะได้เงินเงินเหลือที่เหลือนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เงินเหลือคือของทําไม่ทันก็พยายามทำเรื่อยไปตอนนี้ไปก็ของบรรดาธรรมพุทธวิสตรทัน ไ, ไนยที่ท่านฟังในตอนตอนน้นอาจจะหนักใจคิดว่าเดือนมกราตายกันแน่เวลาสามาท่าตอนนี้เลิกตายแล้วเป็ว่าเลิกตายเพราะเวลาเมื่อกลับลงมาเพราะเราคาดว่า น, นี่จะลาชืห้านาทีเขาต่ออีกหน่อย เมื่อลงมานอนก็เล่าอยอนหลังก็เห็นท่านสามบดีพรมมายืนด้านหัวนอนเสียงท่านตะหวาดไปมึงไปเดี๋ยวนี้ตะหวัดดังมากแต่ว่าหลายอย่างจะต้องมีคล้ายๆกับฟันก็ไม่ใช่แสงมันก็เหมือนฟันแต่ก็พุ่งแรงมันแสงสีดำๆออกจากร่างกายทั่วตัวไปหมดพุ่งขึ้นก็มีรูปร่างคนลอยขึ้นมาจากอก ลอยวันในอากาศมือหนึ่งมันถือของอะไรก็ไม่ทราบอีมือหนึ่งมันเช็นต่างๆมันร้องไห้ถ้ามีรูปร่างเด็กหญิงสองคนแต่งตัวไม่เหมือนสีน้ำเงินแต่ผ้าปิดตาตะบด ท, ที่แรกเชื่อพทงที่ก่อนที่ของมจริงไม่ใช่ทั้งหมนี้มันเป็นตัวกดของกรรมแล้วก็หลังจากนั้นไม่ช้าไม่ใชอีกสักครู่หนึ่งไอเจ้าจะระ ก, ก้อนแข็งที่มันฝังตัวมาเป็นปี มันออกมาไม่แข็งขนาดดิ้นแข็งๆเรนเลยเราเอาไม้ใหญ่ดูแต่ข้างๆมันเป็นเหมือนก็เส้นไม่เหมือนเข้าเจ้าระมันก็ค่คอยไหลจากเบื้องบนกระลำไส้ด้วยมาตามลไส้ออกมาเข้าโซนออกปุ๊มอาจจะมานั่งสบายๆเห็นไม่มีอะไรตามมาก็ลุกมาดูพองเห็นมันลอยน้ําอยู่ก้อนแข็งมากตัไม้ใหญ่ดูเขแข็งจริงๆมันฝังอยู่ไปเปลียนมันก็ไหลออกมา ไอ้ตัวนี้จะเป็นเหตุที่เบียดโน่นเบียดนี่เห็นวา่าในเมื่อมันไปแล้วก็สัญญาที่บอกว่ า, วาจะถ้ามันไม่ไปก็จะต้องตายไม่เกินวันที่สามพฤษภาคมสองาาพันห้า่ห้าเขาเป็นวา่าเจ้าวันไปไม่เจ้าเลิกกันไปให้เป็นไปตามพัญญาที่พระท่านกําหนดท่านกาหนดเมื่อะไรก็ช่างท่าก็ถามพระท่านว่าไอ้กฎของกรรมเนี่ยมันมีตัวมีตนหรือ ถ้าบอกว่าเจ้าของกรรมจริงเขาไม่อยู่แล้วอย่างเราฆ่าคนคนที่ตายไปแล้วไปตกนรกบ้างไปเทวดาบ้างไปนางฟ้าบ้างไปพรหมบ้างไปสวรรค์บ้างไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเขาไปแล้วแต่คําความชั่วที่แปลกฏที่เราทํา ค, คือเรื่องประกรรมกฎข้องกรรมผลของกรรมผลของกรรมตัวนี้มันให้ผลเราเราฆ่าใครเขาไว้บ้าง ทุกชาติเกิดมาเป็นนักรบค่าคนเท่าไรค่าคนน้อยกว่าค่าสัตว์กองทัพกองทัพมันกินวัวเท่าไรกินควายเท่าไรแต่ละวันกินปลาหมูเปไก่เท่าไรบาปทั้งหมดมันตกอยู่กับแม่ทัพผู้มัจฉาการทัพเป็นคนสัง่งตอนที่เจ้ากฎของกันต่างมันเข้าคิวเรียนเรียนคิวกันเข้าแถวไอ้ตัวนั้นออกตัวนี้เข้าตัวนั้นออกตัวนี้เข้า เวลาที่มันอยู่เยอะมองดูแล น, น่าจะมืดจึงไม่อยากอยู่สู้กับมันในเมื่อมันกินได้เฉพาะกายมันไม่กินใจเราก็จะเอาใจหนีไปปล่อยกายให้มันกินกายที่เน่าๆมันอยากจะกินเก็เชิญกินไปเถอะแ้่ก็เป็นการมาเอินอย่างยิ่งในเมื่อพระท่านยันมาบอกฉัน เธอจะต้องตายตามกําหนดที่ฉันสั่งจะตายก่อนหน้านั้นไม่ได้ถ้าที่หลังนั้นได้เลยไปได้แต่ก่อนไม่ได้ก็แล้วคําสั่งพระท่านศักดิ์สิทธิ์ได้เมื่อท่านถามบดีพลนั้นเอาออกได้แล้วก็เคารพท่านแต่คอเคารพท่านเคยเป็นมอเมื่อเคารพในท่านแล้วก็ขอบคุณท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้น ก็จะปฏิบัติทุกอย่างตามที่พระบอกช้าท่านสั่งทําอะไรจะทําตามนั้ น, า น, ท, า น, าานทางกายทําไหวแต่บรรดาญาชนทั้งหลายถ้าท่านถันนบมบดีพระองค์ดีพระท่านบอกว่าร่างกายของเธอมันยังจะไม่ดีต่อไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความเก่าและความแก่ของร่างกายมันมีความขมขืานมากต่อไปนี้มันจะป่วยตามสภาพปกติของร่างกายที่แก่ ไม่ใช่ป่วยตามสภาพของร่างกายที่กฎของกรรมเขามาบีบคั้นทำการขับไล่วันนั้นฉันขับทุกอย่างให้ถอยหลังไปอาตมาอดเด่นอดดีไปใช้เตโชกสิงขับไล่เผาผลาญมันแต่กายังไม่ตายพระบัรดาจะพุทโธยสถนาเป็นว่าเรื่องตายตายวันที่สามมกราคมสองพันารยสีิบหาเลือกกัน เวลานี้ก็หมดเวลาแล้วขอลาก่อนข้อความสกสวัสดีพิพัฒน์นมงคสงลสมบูรณ์ผลผล่ังมีเด ว, วันดาธรรพุทธสาวที่ส่งกระชอ น, นรับฟังทุกท่านสวัสดีขอขออภัยนั้นที่พูดไม่ชัดเพราะว่าวันนี้เร่งเรงแข็งมาก